เทศนาแผนที่78ลำดับที่14โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำร้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงคำในวันที่17สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าปัญญาเกิดจากการฟัง วันนี้เห็นพี่น้องมาจากทางโนนสังโคกใหญ่แล้วก็พี่น้องมาจากชุมแพแล้วก็หลายอำเภอที่ใส่บาทเมื่อเช้าเนี่ยแต่ทราบ ว, ว่าทางคู่บาหลวงพ่อมาจากโคกใหญ่ฉันอยู่ข้างนอกนะอาหารไปยังไงพ่อนเนี่ยได้แบ่งแบ่งไปดู ด, ดูอาหาร ด, ดูด้วยนะ่ะใครๆออกไปดูด้วยอาหารข้างในของเรามีส่งออกไปฝันฉันเนี่ยอาหารอยู่ข้างนอกตามที่จริงนะ่าจะมาฉันยังอยู่ข้างในด้วยกันผมพ่อเปิดตําราไม่ฉันเมื่อเช้าเนี่ย mm. เออไม่ต้องฉันข้างนอกนะฉันข้างในด้วยกันนะี่แหละนาจะออกมาฉันข้างในศาลากกว้างอยูน่นี่จะได้เห็นดูได้อยู่ได้ฉันยังไง mm. เราเป็นเจ้าของบ้าน เราต้องช่วยๆกันดูนะลูกหลานนะวันนี้เป็นวันที่17เจสิงหาคมพุทธศักราช2558บวันนี้หลวงพ่อเองได้นัดทางหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อบุญมีพระสงฆ์ทิมเป็นพวกน้องๆว่าจะไปกราบครวะหลวงปู่ทุย วัดดงสีชมพูเราก็เคยไปทุกปีปีนี้ก็ยังไม่เคยไปยังไม่เคยยังยังไม่ได้ไปก็เลย น, นัดกันแล้วก็วันพอฉันยังหันเสร็จแน่าคงจะไปนะแต่ใครอยากจะไปด้วยนะแต่ฝ่ายพระเนี่ยอาจจะให้เนี่ยพระอยากจะไปองค์ไหนอยากจะไปแต่เคยผู้องค์ที่เคยไปแล้วไม่ให้ไปนะเอาผ้าใหม่ไปก็ได้ <c oughs> ไปเพื่อการศึกษาเรียนรู้นะแต่ลดไม่มากแต่ทึงยังไงก็ตามนะในพรรษาเนีหลวงพ่อก็จะก็เอารถไปคารวะครูบาอาจารย์อยู่นั่นหละไปหลวงพ่อคำสดหลวงพ่อชาลีหลวงพ่อบุญมีเจ้าคณะอำเภออันนี้ก็เพื่อจะให้พระพระใหม่บวชเข้ามาได้เรียนรู้คว่าคารวะ ครูบาอาจารย์นั่นทำยังไงอันนี้หลวงพ่อให้ไปทุกปีอยู่แล้วนะแต่ถ้าไปไกลๆนะมันก็เป็นภาระเหมือนกันหลวงพ่อก็ไม่อยากจะให้ไปไปไกลกันไปมันสมเสียงสมเสียงเหมือนกันพอมันเดินรถทางไกลเพราะนั้นหลวงพอ่อควรจะให้ไปแถบใกล้ๆเนะี่ย รัววันนี้เป็นวันหนึ่งหลวงพ่อจะได้ไปกราบคารวะแต่หลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะศรัทธ า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานอายุหลวงพ่อกืเจ็ดสิบกว่าปีเข้ามาแล้วอก็คงจะเป็นปีนี้เป็นปีที่อาจจะเป็นปีสุดท้ายก็คงจะไม่ได้กราบไปกราบครูบาอาจารย์เพราะว่าอายุมากแล้วการไปการเดินทางก็ไม่สะดวก เหมือนกับพระน้อยพะหนุ่มเราจะไปงงกเงันงานมันก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันน่าจะอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วละ่ะทีนี้ต่อไปนี่นะแต่พอจะไปได้ก็ไปไปกราบคารวะครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าไม่ไปเฉลยก็ไม่ได้ก็เรียกว่าแข็งข้อไม่มีใครใหญ่กว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกถึงครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษากว่าเราก็ต้องแสดงเค้าความเคารพคารวะ นอบน้อมผู้มีอายุพรรษาที่มากกว่าเหนือกว่าอันนี้ก็คือเป็นกฎธรรมเนียมประเพณีของพระกรรมฐานกรรมฐานต้องถือเอาอาวุโสผู้มีอายุพรรษาอาวุโสเป็นหลักเพราะนั้นการที่จะพูดจะกล่าวจะอะไรออกไปผู้มีอาวุโสตรงรอบคอบต้องได้คิดซะก่อนนะ ไม่ใช่เปมีอะไรก็พูดไปตามที่ตัวเองอยากพูดเขาเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ยังก็ไม่ได้เหมือนกันนะคอมพิวเตอร์คือลูกน้องอนยะู่เคียงข้างนะป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็คิดออกมานะคิดผิดคิดถูกอะไรเพราะคอมพิวเตอร์เอใช้มานานสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดเหมือนกันนะผ่านเหลูกหลานของหลวงพ่ออินทั้งหลายนะ แล้วก็วันนี้ เ, เมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเขาคงจะออกเติรดทางแล้วนะคณะทายาทโยมลูกหลานแล้วก็วันนี้เป็นวันพี่น้องประชาชนจากชุมแพจากขนแก่นจากโนนสังหลายอำเภอแต่หลวงพ่อยังไม่ได้ถามสักไซไรเลียงดูเพียงแต่ทราบคร่าวๆนะ อันนี้ลูกหลานทั้งหลายก็มาร่วมฉันจังหันแล้วก็มาร่วมตักบาทมันก็เป็นการมาพบมาเจอแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็มีหนังสือธรรมะขององค์หลวงตานะพอเสร็จแล้วให้ครูบาทั้งหลายช่วยช่วยแจกที่พระธรรมคำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทยที่หลวงตาแสดง ธรรมะในสถานที่ต่างๆเนี่ยเขามาแจกให้คณรระทายาทโยมลูกหลานที่เข้ามาไม่มีอะไรหลวงพ่อคิดดูแล้วไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจแต่เอาพระเอาลูกเอาเหรียญอันนั้นก็ใช่ก็เป็นการผูกมัดในระดับหนึ่งในระดับต้นแต่พอได้ไปแล้วก็ภูมิใจในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหนังสือธรรมะเนี่ยถ้าผู้ใดใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้พอได้หนังสือธรรมะแล้วก็ไปอ่านเอาไปอ่านเอาไปศึกษาจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าใจาใจของพวกเราอันนั้นเป็นสมบัติของเรายาวนานทีเดียวนี่แหละหลวงพ่อจึงเน้นหนักแต่ไม่ก็ยากนะหลวงพ่อคิดว่ามันยากอยู่ จะเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจพี่น้องประชาชนศรัทธาญาตโยมลูกหลานเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าท่านผู้ใดมีอุปนิสัยมีอุปนิสัยเก่าแก่ดั้งเดิมผู้นัออ้นพอจับหยิบอ่านขึ้นมาแล้วก็จะต้องเข้าใจและศึกษาคล้ายๆว่าถึงใจหรือว่าอยากจะรู้อยากจะเรียนรู้ให้สูงขึ้นไปอีก แต่ถ้าผู้ไม่มีอุปนิสัยมาแล้วก็อ่านไปก็อย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นแหละแต่ถ้าว่าผู้มีอุปนิสัยเราก็หวังว่าผู้มีอุปนิสัยไฝในการศึกษาไฝในการเรียนรู้ในภาคอิทตภาวนาก็จะได้เรียนรู้ศึกษาในเรื่องทำคําสอนเราะปุณณ์หลวงพ่อเองจึงให้คณะสัทธาญาติโยมทั้ง MP3 มพวยทั้ง ธรรมะด้วยถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านก็แจกมาแล้วตะมาขาดมาขาดช่วงในช่วงของเราก็ยังไงอยู่เพราะนั่นหลวงพ่อจึงเอาช่วงของเราก็อย่างน้อยก็ปิปฏิบติปะ ต, ปะตอเป็นสายใหญ่เป็นยวงใหญ่ออกไปอีกถ้าต่อไปภายภาคหน้าผู้มีบุญหนักสักใหญ่มญีผู้มีอุปนิสัยบุญบารมีกว้างขวาง สีแจ้งทำคําสอ น, สอนก็คงจะมีต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่สิ้นไม่สินส้นคนดีไม่สิ้นพระดีไม่สิ้นผู้รู้ผู้ฉลาดเพราะนั้นพระพุทธศาสนาคงเป็นยุคเป็นสมัยพวกเราคนเนี่ยเป็นสายใยต่อๆอเอาไว้เพื่อไม่ให้มันขาดนะหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะ ลหวงพ่อไม่ใช่เป็นผู้บุญหนักสักใหญ่แต่องค์หลวงตาใช่หลวงตามหาบัวเป็นผู้เป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่กว้างขวา ง, วางทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไม่ต้องบรรยายมากแต่หลวงตาทําคุณคโนประการให้กับประเทศชาติมากแล้วก็ทําคุณไว้ในพระพุทธศาสนาก็มากประธรรมคําสอนขององค์หลวงตาที่เผยแผ่ แนวความคิดพอให้แผ่ธรรมะถึงธรรมะถึงจะเป็นธรรมะก็จริงอยู่แต่เป็นธรรมะเหมือนกับเป็นแท่งทองคําเป็นแท่งทองแต่องหลวงตาเนะี่ยไปใช้เลื่อยหรือใช้อะไรไปเอาทองคําออกมาแล้วก็ทำเป็นเพชรเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นเครื่องประดับ ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ใช้ถ้าเป็นแท่งทองอยู่เฉยๆมันก็เป็นอยู่มีคุณค่าอยู่นีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระธรรมคําสอนที่เป็นแท่งอยู่แต่ถ้าว่าไม่มีผู้ใดนําธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแพร่พระธรรมก็เป็นก็อยู่อย่างนั้นอ่ะแต่นี้หาผู้ที่จะนําพระธรรมคําสอนออกมา บอกกล่าวาออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราทั้งท่านั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่บางองค์ท่านก็เผยแผ่ท่านพูดไปพวกเราฟังก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกันแต่บางองค์ฟังเข้าไปเออดีเข้าใจตื่นขึ้นมานำไปประพฤติธปฏิบัติได้นี่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคณะจาทยญาติโยมลูกหลานไม่ใช่ของง่ายๆอีกเหมือนกันอย่างลูกพ่อเหมือนกันนะ หลวงพ่อเนี่เป็นเนนน้อ ย, ยอยู่กับองค์ูบาอาจารย์พอท่านเทศขึ้นมาเราก็ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้สักศึกษาเป็นพื้นฐานมาก่อนอแต่นี่พอกูบาอาจารย์พูดขึ้นมาอพอฟังแล้วก็งงทุกครั้งพองงแล้วก็ขาดการใส่ใจขาดการไม่อยากจะฟังะอะไระนแต่พอต่อมาเนี่ยเราก็ได้ท่องเอ เสกคีย์วัตแล้วก็ธรรมะคีย์ปฏิบัติทำบทบทธรรมที่ท่านนามาเป็นพื้นฐานพอเราเรียนจบตัวนี้ได้รู้ตัวนี้ได้อเออใช่เราต้องจบตัวนี้เรียนตัวนี้ก่อนนะถ้าท่านยกขึ้นมาท่านก็ยกขึ้นมาแนวแถวพื้นฐานเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองแนะนําในเอ็พสามของหลวงพ่อหลวงพ่อจะพยายามเน้นหนัก ให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเข้าใจเรื่อกรรมฐานห้าอย่างหลวงพ่อก็ต้องอธิบายกรรมฐานห้านะันคืออะไรเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาปันตะโจหนัง อ, อริยะสัจสีคืออะไรทุกสมุทัยเหตุให้เกิดทุกมัก เ, เป็นหนทางที่จะดับทุกนิโรธคือความดับทุกอธิบายอีกนี่แหละ อันนี้ก็คือหลวงพอ่อจะอธิเน้นถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนกับพระแก่พระแก่พูดซ้ำซากย้ำไปย้ำ ม, มาย้อนไปย้อนมาเพราะ็ะไรก็เพราะว่าหลวงพอ่อเนี่เป็นเน้นน้อยมาก่อนก่อนที่จะเข้าใจในเรื่องธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของเข้าใจได้ง่ายๆเพราะนั้นหลวงพอ่อจึงมาถึงจุดนี้หลวงพอ่อจึงกลัวหวังลูกหลานคณะทศัทาญาติโยม ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยอาจจะยังไม่อาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับคหลวงพ่อเป็นเนนน้อยอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงพยายามทําเรื่องที่มันลึกให้มันตื่นขึ้นให้เข้าใจง่ายขึ้นให้เข้าใจในเรื่องต่างๆอย่างนั้นก็ยกชาดกเข้ามายกนิทานเข้ามาประกอบเพื่อจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง ว่าหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยท่านยกย่องยังไงท่านให้ความสนใจให้ความยกย่องยังไงต่อพระพุทธเจ้าต่อพระสงฆ์สาวกในยุคนั้นสมัยนั้นนี่หลวงพ่อก็จะได้พูดได้กล่าวให้คณะทายาทโยมได้ฟังได้ศึกษาอีกเหมือนกันหลายเรื่องที่หลวงพ่อได้พูดขึ้นมายกเรื่องพระในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการท่านเป็นอยู่อย่างไรนะอย่างที่ ประสงค์ในครั้งพุทธเจา้ามีพระเถระท่านหนึ่งท่านเป็นผู้นิสัยนิสัยเรียบร้อยนิสัยงามแต่น้าเคารพน่าเกรงขามเออท่านจะไม่ล้อเล่นกับใครท่านจะอยู่แบบไม่คําว่ามือเท้านะไม่กระดุกกระดิกอมือเท้านะไม่เอไม่แสดงอากัปกิริยาเป็นที่เป็นพระที่ว่าหน้าเคารพทีเดียว พระสงฆ์เขาก่อนโอ้ท่านองค์นี้พระอาจารย์องค์นี้ดูดูแล้วหน้าเคารพเกง่งขำใครใครๆเห็นแล้วก็หน้าเคารพเคารพนับถือเลื่อมใส ถ, ถือชือชั้นชื่อว่าพระสันตกายพระสันตกายชื่อของท่านพระเถระท่านนี่นะพระพุทองค์บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายพระสันตกายที่เป็นพระเถระที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยองค์นี้นะ่ะ ที่มาบวชตะก่อนชาติก่อนๆเขาเคยเป็นราชสีนะราชสีมาก่อนคือราชพยาราชสีเนี่ยคือเป็นพยาของหมู่พกเพื่อนเนี่ยเขาจะสำรวมระวังกายของเขาเวลาเขาเไปหาล่าอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมานอนนะ ราชศรีกลุ่มเนี่นยนะพญาราชศรีเขาจะนอนถึงเจ็ดวัน่หกวั น, นจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพญาราชศรีอย่างที่ว่านเนี่ยเขานอนเจ็ดวันเวลานอนเขาจะนอนเหยียดขาเอาขาซ้อนกันแล้วก็หางวางไว้อย่างไงแล้วเขาที่แหละถ้าเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยมองดูนถ้าหาว่าก็เห็นก้อนหินกระจุยกระจาย หรือว่าเห็นอยู่ไม่อยู่ในระเบียบนะ่ยเขาไม่พอใจเขาจะต้องนอนอีกเจดวันเอเป็นการ ท, ทรมานตนเองอให้อยู่ในให้อยู่ไม่ให้อยู่ในกระจุะะจ่ยกระจายในที่นอนของตนเองนะอพอตื่นขึ้นมานอนเออก้อนหินอยู่ในสภาพอะไรไม่มีกระจุยกระจายในขนาดตรงที่ตัวนอนนะออยังค่อยขึ้นมาแล้วก็ เหยียดขารัก็แผ่ราจะแผ่เสียงร้องเสียงสามครั้งตะโกนเสียงสามครั้งยังค่อยกระโดดออกไปจากถ้ำหาลาอาหารหากินอันนี้ก็คือเป็นนิสัยของราชสีนี่นะสันตะกายพระองค์นี้เคยเป็นราชสีมาก่อนเพราะนั้นอากับกิริยาของท่านจึงเป็นเป็นที่ ยอมรับเป็นที่เกรงขามเอของคู่ขนทั้งหลายนี่แหละสรุปแล้วก็คืออสิ่งเหล่านี้นเป็นเครื่องบ่งบอกเหมือนกันนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเอมันเป็นเครื่องบ่งบอกไปถึงอนาคตตการเหมือนกันอย่างที่มีพระในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารก็เหมือนกัน มีศรัทธาญาติโยมเข้าไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามีอยู่ห้าคนด้วยกันฮะมีอยู่ห้าคนพ่อไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมหลับพระเนตรแต่เทศฟังแต่พระอนุนเป็นคนดูดูว่าคนที่เป็นหัวหน้าอุบาสกทั้ง5คนเนี่ยเขาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจไหม องหนึ่งพอฟังไปในะเอามือเอามือเขี่ยดินเล่นขีดไปขีดมาขีดไปขีดมาอแต่องค์คนหนึ่งนะเออพอนั่งพองฟังเทศแล้วหลับสับพระงกเหมือนกันนะสับ ป, ปงกถอยหน้าถอยหลังเอแต่โยมอุบาสกคนหนึ่งเอพอไปแล้วกันนะไปเอามือลูกต้นเสามองขึ้นไปต้นเสาหน่ะมื อ, ม, อมือลูกที่ต้นเสาน่เอหมุก มือรูปแล้วรูปอีกแต่คนหนึ่งนั่งนิ่งนั่งนิ่งฟังนะคนสี่คนคนั่นอุบาสกสี่คนนไม่ไม่ใช่คงไม่ใช่ห้ามันคงจะเป็นสี่คนหลวงพ่อก็จัไม่แม่นเหมือนกันจุดนี้นะพระที่พระอนค์กรมาพระสงฆ์รกาศทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมอุบาสกทั้ง ทั้งมาฟังธรรมเทศนาที่ตั้งใจฟังเนี่ยทําไมไม่เหมือนกันอือพระพุทธองค์บอกว่าเนี่ยคนที่ขีดแผ่นดินเขาเคยเป็นไส้เดือนมาติดพบติดชาติมันยาวนานทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงเออเอามือขีดแผ่นดินเขีย่ยแผ่นดินเล่นอยู่ตลอดอืมเพราะมันเคยเคยกินดินมาก่อนแล้วคนที่นอนหลับเราไปแจวข่ะคนที่นอนหลับนั้ น, นเคยเป็นงูเหลือมมาก่อน นอนมาติดพบติดชาติพอมีอะไรขึ้นมาก็มีตลับลูกเดียวงูเหลือมเหมือนคนที่จะจะ ก, กระจับกำลังจะดูรูปดูต้นเสานะ่อยดูต้นไม้ล่ะพระเจ้าค่ะอันนี้พวกนี้เป็นลิงมาก่อนนิสัยลิงยังมีอยู่ในติดในสั้นดานของเขานะแต่คนที่นั่งหลับตาฟังหลพระเจ้าค่ะอันนี้พวก อันนี้เคยเป็นพราหมณ์เคยเป็นหัวหน้าไฟในการศึกษาไอ้ไฟในการศึกษ า, นะก า, กษาเพราะนั้นไอ้คนนี้น่ะี่อจะฟังเข้าใจในเรื่องธรรมคำสอนของของเรานะแต่คนอื่นก็นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะแต่นี้พอหลวงเขามีคำพูดเนะี่ยนี่อาจารย์มหาวิทยาลัยก็มาพูดอย่างนี้แหละอย่างหลวงพ่อพูดให้พวกคณะจตหายาจมลูกหลานฟังนี่แหละ ลูกศิษย์ก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาถามอาจารย์เลยนะ เ, เขียนขึ้นมาว่าเอ๊ะคนที่นั่งหลับเป็นงูเหลือมมาก่อนอคนที่นั่งหลับตาฟังคือเป็นทิศป่าโมกเป็นพรามมาก่อนไฟในการศึกษ า, าคนที่เขี่ยแผ่นดินก็คือเป็นใส่เดือนมาก่อนแต่คนที่รูปต้นไม้นเนี่ยรูปต้นเสาอยู่นะมองแต่ต้นเสาบองยอด อันนั่นเคยเป็นหลิกมาก่อนแต่อคนที่มานั่งฟังเทศคุยกันเนี่ยเอนั่งไม่ตั้งใจฟังไม่แต่คุยช็ดตช็ช็ช็อเนีคนประเภทนี้จะเป็นประเภทอะไรฮะเออยมีมีนักศึกษาถามถามมหาอาจารย์นะเอแต่ถ้ามาถามถ้ามาถามหลวงพ่อนะอถ้ามาถามหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่ออินบอกพวกนี้คงจะเคยเป็นนกกระเจาะมาก่อน เวลาฟังเทศฟังธรรมหรือคุยกันไม่ตั้งใจฟังอันนี้เปลว่านกกระจอก ม, มาเกิด <c oughs> พราะนกกระจอกนี่เถียงกันบ่อยใช่ไหมในหลายสิ่งเหล่านี้ขอให้ฝากไว้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนอันนี้คือบ่งบ อ, บอกถึงอุปนิสัยในอนาคตของพวกเราเพราะนั้นการที่เราเข้าไปนัาถานที่ใดเราต้องฟังนะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง กินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ขวนทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเอ๋อันนี้สงแห่งการฟังผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสอันนี้อันนี้สงส่งการฟังธรรมเพราะฉะนั้นในพวกเราไปนสถานที่ใดนั้นลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมเวลาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พูดเออฟังมีเหตุมีผลไหมเนี่ยบางทีท่านก็พูดเรื่องศิ่งเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาให้กับพวกเราท่านทางหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยเป็นหัวใจและเป็น การศึกษาของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้รับการศึกษาแล้วนะจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไรมันเฉลียวฉลาดไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้รับการศึกษานะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอนุรู้สึกร้อนนะเอา้าเ อ, าเอายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะลูกหลานนะพูดไปด้วยเหงื่อแตกไปด้วยเนี่ยเอารับปอดนะทีนะะ